ยวาวันหนึ่งพระราชาเสด็จประทับบนคอช้างก็ดํารีว่าช้างนี้เคยนะในที่สุดล้านก็มาขี่คอปู่ใช่ไหมขี่ช้างปู่นะขี่ปู่ช้างอ่ะนะก็เลยขี่คอช้างเลยนะก็ช้างนี้เคยสเสวยราชสมบัติเป็นเวลายี่สิปีแล้วก็ตกนรกแล้วก็เกิดเป็นกําเนิดสัตว์เดรัจฉานด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือเมื่อไม่อดกลั้นซึ่งการกระทบกระทั่งในเพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่ จึงมาในที่นี้โอ้การอยู่เป็นพวกอยู่เป็นหมู่เป็นพวงเป็นทุกอะไรเงี้นก็เห็นเลยโว่ยเบื่อหน่ายในการอยู่รวมพวกรวมพวกรวมพักเนี่ยนะก็เลยว่าเห็นการอยู่เป็นพักเป็นพวกนี่เป็นทุกการอยู่คนเดียวเท่านั้นเป็นสุขก็เลยปรารบวิปัสสนาในที่นั้นแหละกระทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานอามาทั้งหลายก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชาประราชาพระองค์นั้นอ่ะ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 เราให้เที่ยวไปแบบนั้นนะนะเหมือนกับก็คือเห็นโทษของสังขารนนะ่ะออกจากสังขาร น, น้อมไปหาธรรมเป็นที่ดับสังขารเนี่ยนะออกจากวัตตะน้อมไปสู่วิวัฏฏะออกจากสังตะไปสู่อสังตะนั่นเองอ น, นะเนื้อความก็ชัดเจนอยู่แล้วนะอธิบายว่าอธิบายเพิ่มนิดหน่อยบอกว่าช้างที่ชื่อวันนาเพราะอถาว่าไม่มาสู่พื้นที่ที่ไม่ได้ฝึก เพราะตนที่ฝึกแล้วในศีลทั้งหลายที่มนุษย์พอใจหรือความที่ตนมีร่างกายใหญ่ฉันใดคือช้างช้างก็คือช้างที่มีศีลช้างที่ฝึกเสร็จแล้วเรียกวันนาคนะนะแม้เราก็พึงเป็นนาคเพราะไม่มาสู่พื้นที่ที่ยังไม่ได้ฝึกเพราะความที่ตนฝึกแล้วในศีลทั้งหลายที่พระริยเจ้าพอใจเพราะไม่ทําบาปเพราะไม่กลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีกหรือเพราะความที่ตนมีสรีระคือคุณธรรมใหญ่ ชื่อในการไรหนอนาช้างนั้นละโคลงแล้วก็อยู่ในป่าตามอภิรมด้วยความสุขที่เที่ยวไปโดดเดี่ยวพึงเที่ยวไปตัวเดียวเหมือนนอแรกฉันใดชื่อในการไหนหนอแม้เราก็ฉันนั้นไปอยู่ในป่าตามอภิรมด้วยวิหารสุขโดยส่วนเดียวได้แก่ด้วยความสุขที่เกิดจากฌานอยู่ในป่าโดยประการที่ตนจะมีความสุขเท่าที่ปรารถนาแล้วก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรก เพราะว่าผู้ที่อยู่ในป่าได้ชานทั้งหลายก็เข้าชานอย่างที่ตัวเองประสงค์จะมีความสุขในชานอย่างเดียวสมชั่วโมงสิบชั่วโมงย0ิบชั่วโมงสองวันสามวันทำอย่างไรก็ได้ตามที่ปรารถนาสุขโดยส่วนเดียวฉะนั้นก็เที่ยวไปแท่ผู้เดียวเที่ยวไปด้วยอาริยมรรคแต่เพียงผู้เดียวดุจนอรเรอีกในหนึ่งท่านบอกว่าช้างนั่นชื่อว่ามีขันเกิดแล้วเพราะมีขันที่ตั้งดีแล้วฉันใด เชื่อในการไหนหนอแม้เราก็พึงชื่อว่ามีขันเกิดดีแล้วเพราะความเป็นผู้ใหญ่ด้วยสีละขันอันเป็นอาศะฉะนั้นช้างชื่อว่าปะทุมีเพราะมีร่างกายเช่นกับดอกปทุมหรือเพราะเกิดแล้วในตระกูลช้างปทุมฉันใดชื่อการไหนหนอเราก็พึงชื่อว่าปทุมเพราะความเป็นผู้มีกายตรงเหมือนดอกปทุม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 ละแทงตลอดนิโรธด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดอรรยมักแล้วก็ควรเจริญปรารกวิปัสสนาก็เลยบรรลุเป็นพระประเจ ก, กับพูุ้ทธเจ้าเนี่ยนะเห็นโทษยนะโอ้ยเส้นทางของชีวิตเนี่ยนะน่าพอใจไหมเหมือนกันนะในคาถาที่ยี่สิบ ได้ยินว่าพระราชบดของพระเจ้าพารณสียังทรงพระเยาว์นะนะพระเยาว์นี่หมายคือว่ายังไม่มีครอบครัวนะยังนมอยู่เยาว์มามาจากคำว่านมยังหน่มอยู่พระองค์ก็มีพระประสงค์จากพนวดก็เลยปรึกษากับพระมารดาพระบิดาพระมารดาและพระบิดาก็ทรงห้ามพระองค์นะห้ามลูกบวชนะพระราชบดนั้นแม้ถูกห้ามอยู่ก็ทรงยืนยันว่ามอมชั้นจากบวช จากนั้นพระมารดาและพระบิดาก็ตรัดเรื่องทั้งหมดเหมือนเรื่องเศรษฐีบุตรที่กล่าวแล้วในก่อนในที่สุดก็เลยต้องอนุญาตเพราะอะไรนะทำไมจึงอนุญาตเพราะถ้า ห, หากว่าเราไม่ให้ลูกบวชลูกก็มีทุกข์ถ้ารกากเราอนุญาตให้ลูกบวชเราก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ของเราจงเก็บไว้ให้ลูกมีสุขเธอก็เลยอนุญาตให้ลูกบวช แต่ก็ได้ปฏิญาณว่าถ้าครั้นบวชแล้วก็พึ่งอยู่ในอุทยานเท่านั้นลูกบวชแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ในสวนเรานี่ยนะอนุญาตให้บวชนะแต่ว่าต้องบวชอยู่ในสวนพระองค์ก็ทำตามปฏิญญาฝ่ายพระมารดานี่มีหญิงฟ้อนสองหมืน่นแวดล้อมเสด็จไปในพระอุทยานให้พระราชบุตรเดิมยาคูเนี่ยนะโอ้ยบวชก็เหมือนไม่บวชละมั้งอ่ะนะ ล้อมห ล, ล้อมหลังอีกสองหมื่นคนไปเที่ยวขนาดนี่ให้ของขบของเคี้ยวเป็นต้นสนทนากับพระราชบดจนสมัยเที่ยงวันหมายว่าเช้ามาเนี่ยแม่ก็เอาอาหารพร้อมทั้งบริวารไปสอง0 0ื่นะก็อยู่คุยกับลูกจนถึงเที่ยงอพอถึงเที่ยงวันก็จับพวกราชบุตรคอยปฏิบัติเสด็จกลับไปสู่พระนครส่วนพระบิดาก็เสด็จมาในเวลาเที่ยงวันนะให้ราชบดเสวยเพลิเสร็จแล้วพระองค์ก็เสวยสนทนากับบุตรตลอดวันจนเวลายิน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 พระพระปฏิเจรพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะระลึกถึงะนะระลึกถึงอยู่ก็เห็นพระราชบทนั้นว่าราชกุมานี้ทรงอาจเพื่อจะผนวดแต่ไม่อาจเพื่อจะตัดความเกี่ยวข้องได้เพราะเพราะยังเกรงใจพระราชากับะนะเกรงใจพ่อแม่อยู่นะต่อแต่นั้นก็นึกว่าพระกุมานี้จักเบื่อนายด้วยธรรมดาของตนหรือไม่ลําดับนั้นก็รู้ว่าเบื่อนาย ด้วยธรรมดาแต่จะมีช้านานอย่างยิ่งแปลว่าจะบรรลุด้วยลําพังแบบตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วในที่สุดบรรลุได้ไหมบอกได้แต่ว่ามันนานเกินไปนะนะต้องปล่อยใช้เวลาแบบนี้ถ้ายังคลุกคลีอยู่อย่างนี้อินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าสักทีหนึ่งใช่ไหมเรียกว่ามันช้าเหลือเกินที่จะจบก็เลยคิดว่าเราจักแสดงอารมณ์แก่พระกุมาร น, นั้นก็มาจากพื้นมโนศิลาก็เหาะมา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 ยกตัวอย่างนะบอกว่าพระมารดาของพระองค์เสด็จมาในเวลาเช้าพร้อมกับสตรี 20,000 นางทําให้อุทยานเนี่ยไม่เงียบะนะก็ถึงเที่ยงพระบิดาก็มาในตอนเที่ยงตอนเย็นก็พร้อมกับพลนิกายก็กลับไปบุรุษทางกลางคืนก็มีบุรุษที่คอยปรนิบัติตลอดคืนอีกเนี่ยนะมีลูกน้องเปลี่ยนผัดเตียนเวนอยู่นั่นนะ่ะทั้งคืนทราราชอุทยานไม่สงัดม่ใช่หรือธรรมดาบร r ประชิตทั้งหลายเขาไม่เช่นกับพระองค์อย่างนี้หรอก